อรหะโตสมมาสมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสมมาสมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นรวมจิตใจเข้ามานึกบริกรรมภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ตราบใดที่ลมหายใจยังมีเข้าออกอยู่เราจะไม่ขาดสติความระลึกได้พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้เจริญอยู่เป็นนิสติดต่อกันไปเพื่อจะได้ตัดอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิน้นอารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาตลอดวัน มีอารมณ์ดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามขณะนี้เวลานี้ไม่ให้เรื่องราวอารมณ์ต่างๆนั้นมาทับถมจิตใจดวงใจในเวลาปัจจุบันคือขณะ น, นี้เวลานี้มีโยในจิตใจของเราทุกๆคน ใจนี้จิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมีโยในตัวในใจของเราทุกคนเราฟังเสียงได้ยินเสียงคนหูดีฟังเสียงรู้เรื่องผู้รู้เรื่องนั่นก็คือใจนั่นเองจิตนั่นแหละจิตนี้มันมานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกนี่อยู่ ตั้งแต่อยู่ในท่องแม่ทุกๆคนการอยู่ในท่องแม่นั้นเป็นทุกเร ว, ว่าทุกขังอริยะสัจจ์แต่ว่าเป็นกฎธรรมดาอยู่ใจมนุษย์คนเราเมื่อสิ่งใดมันผ่านมาแล้วก็ลืมง่ายขณะ น, นี้เวลานี้ให้เราไม่ให้หลงลืม ให้มีสติคอยระวังจิตเตือนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในว่าอย่าได้แสสายไปตามอารมณ์ภายนอกจองทวนกระแสะใจเข้ามาอยู่ในตัวในใจจิตใจคนเหล่านี้โดยย่นย่อแล้วท่านมามีอยู่สองอาการที่เราจะสังเกตเอาได้ จิตใจดวงอยู่ภายในซึ่งเป็นดวงดั้งเดิมคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนดวงจิตดวงผู้รู้อยู่นี่มันอยู่ในกายนี่ทั้งนั้นไม่ได้ออกหนีจากกายอันนี้เรียกว่าดวงไหนดวงจิตดวงใจภายใน ดวงใจภายนอกได้แก่สังขารจิตจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรนั่นจิตสังขารจิตมานจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิท่านไม่ให้ไปตามจงทวนกระแสเข้ามาว่ามีจิตดวงใดที่รู้ว่ากายเราสบาย ก็มีจิตดวงรู้นี่แหละเป็นผู้รู้กายเราไม่สบายกายเราสบายจิตเป็นผู้รูจ้จักจิตสบายจิตไม่สบายจิตวุ่นวายภายนอกจิตมันก็รู้นี่คือดวงในดวงในมีอยู่นี่จิตใจผู้รู้อยู่ภายในกายภายในจิต ส่วนสังขารจิตนั้นเมื่อปรุงแต่งอะไรแล้วก็แสสายรุ่มหลงโมวเมาไปตามอารมณ์กิเลสมีหน้าที่ละหรือในธรรมจักท่านว่าประหารแตประทมประหารทิ้งประหารก็คือละทิ้งลอยทิ้งออกไปยาได้ลหลงไหลไปกับสังขารจิตนั้น จงทวนกระแสะเข้ามาว่ามีจิตดวงที่ลู้อยู่นั่งลู้เวลานั่งยืนลู้เวลายืนเดินลู้เวลาเดินนอนลู้เวลานอนตื่นลู้เวลาตื่นดวงจิตผู้นี้เมยอยู่ในลู่ประขันอันนี้ลู่ประขันร่างกายตัวตนนี้อยู่ที่ไหนดวงจิตก็อยู่ที่นั้น แต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวัณนนะ์เหมือนรูปร่างกายของคนเราไม่มีจิตนั้นไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องของลูกประขันจิตผู้รู้จริงๆอะ ไม่มีเพศหญิงเพศชายธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากอย่ามาเย็ดถือจิตนีน้คำว่าพระภิกษุสาวกในทางพุทธศาสนาหรือคารวาดญาติโยมในครั้งสมัยครั้งพุทธกาล ท่านภาวนาได้ท่านละกิเลสละส ก, กายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตาปลมาตได้เด็ดขาดไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรก็ถึงซึ่งสามวกของพระพุทธเจ้า ท่านภาวนาได้ทุกเวลาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะภาวนาได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นอนอยู่ท่านก็ภาวนาได้คือท่านละกิเลสในใจของท่านได้ไม่เชื่อไม่หลงต่อกะต่อไปอีก เรียกว่าตัดอารมณ์นั้นให้มันเด็ดขาดไปคำว่าสักกายทิฐิทิฐิแปลว่าความเห็นกายะก็เนื้อตัวนี่แหละจิตมันมายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราดูง่ายๆถ้าหาว่าโทความตีเตียนนินทาขึ้นมาในบุคคลผู้นั้น ทั้งๆ ท, ที่ชื่อนั้นก็เขาสมมุติขึ้นมาว่าชื่อกอชื่อขอชื่อดีซื่อดาอะไรก็ตามมันก็เพียงสมมติขึ้นมาว่าคนนั้นชื่อนั้นถ้าโทรความดุดาว่าลายป้ายสีให้แก่กันเพียงคำพูดเท่านั้นหล้ก็จิตใจก็บุ่นวายไม่สบายแล้ว นานล้คือว่าจิตมันหลงสมมุติมันไม่รู้ว่าโลกเขาสมมุติสมมุติว่าสรรเสริญเยนยอสมมุติว่าติเตียนนินทาจิตมันก็ไปยึดเอาถือเอาผู้ภาวนาท่านจึงให้เลิกละอาการภายนอกอาการภายนอกคือโลกกระท โลกกระมได้แก่ความสรรเสริญความนินทาความสุขความทุกข์มันมีอยู่แปดอย่างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศแต่อะไรอะไรมันไม่มากมายเหมือนกับว่าความติเตียนนินทาความตีเตียนนินทานี้มากทีเดียว ภาษาโลกเขาจึงพูดมานานสอนมานานแล้วว่าลมแดงมันไม่แรงเท่าลมปากเขาอย่างนี้นลมพัดต้นไม้ป่าดงให้หักพังบ้านเรือนคนเราพังโรล ง, ลล ง, ลงพยาบาโลโรงอะไรก็ตามเกิดความเสียหาย ให้ชื่อว่าลมลมแดงลมแรงลมมากลมใต้ฝุ่นจะทำคนให้เดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่ว่ามันยังสู้ลมปากมนุษย์ไม่ได้ลมปากมนุษย์เนี่ยถ้าติเตียนนินทาว่าร้ายให้แก่ใครแล้วผู้นั้น เข้าไปยึดไปถือก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมันทุกข์ร้อนเพราะความยึดถือจิตยึดถือมากเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นให้ภาวนาอยู่ในใจดีกว่าให้รวมจิตใจเข้ามาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้แล้วไปอย่าไปยึดถือ หรือว่าเราถูกติเตียนนินทาในเวลาเรานั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือนั่งภาวนาก็ตามถ้าเราลุกจากที่นั่นไปแล้วก็่าไปเก็บเอาไปด้วยหรือเราได้รับความติเตียนนินทาในเวลาลงอยู่ในแม่น้ําลําคลองเวลาขึ้นจากแม่น้ําลําคลองแล้วก็จะไปเก็บออกมาอีก อุบายอย่างนี้คือว่าให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดถือคนโน้นว่าให้เราคนนี้ว่าให้เราใครจะว่าอย่างไรก็ตามลมลมปากลมในท้องลมในปอดลมในปากนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันใจไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาก็หลงเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ถ้ามันเผยลมลงไปมันก็ลมอันเดียวก็ไม่ทุกข์ไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าอย่างไรถ้าเอาปากเอาปากว่าให้แล้วก็ยึดถือที่สุดนี่แหละคือว่าความหลงของคนเราที่ไม่ภาวนาไม่รู้แจ้งเห็นจริงในข้อวัดปฏิบัติจึงได้เป็นเหตุเป็นปจัจจัย ให้คนเราเกิดความทุกโทมนัดครับแน่นแน่นใจในโลกจึงได้มีความทุกข์ใจเป็นหลักอันสำคัญผู้ไม่ภาวานาไม่ตั้งใจปฏิบัติความทุกข์ใจนั้นมากแต่ถ้าเราทุกคนมาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง คือร่างกายสังขารของเหล่านี้ตั้งแต่เกิดมามีหน้าที่จเจริญขึ้นเพราะได้อาศัยปัจจัยทั้งสี่มีบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้รูปปัะขันนี้ก็จเจริญขึ้นเมื่อจเจริญ มดอดขีดแล้วที่นี่ก็ทํารุดสุดโซมเวลามันสํารุดสุดโซนเจ้าของก็เป็นทุกข์เป็นร้อนตาไม่ดีก็เป็นทุกข์หูไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นร้อนหูไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลตาไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลท้องไส้ไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาล โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันบังเกิดมีขึ้นในตัวโรคบางอย่างนั้นมันกินยาหายแต่บางอย่างนั้นกินยาก็ไม่หายตายแล้วจึงหายโรคคนเรานะ่ะมันต่างๆกันการกำหนดภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่น อย่ามายึดแค่วันหน้าของข้าตะขาของข้าแข้งของข้าเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยึดมั่นถือมั่นต้องถามดูว่ามันบ่นไหมร่างกายสังขารเนื้อหนังบางสังเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันบ่นว่าอย่างไรตามความเป็นจริงเขาไม่บน่น พราะรูปปะขันร่างกายของคนเหล่านั้นปะทวีธาตุดินเอาดินมาปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราอาโปธาตุน้ําเอาธาตุน้ํามาปั้นเป็นตัวเราวาโยธาตุลมเอาลมมาปั้นเป็นตัวเราเตโชธาตุไฟเอาไฟมาปั้นเป็นตัวคนเรา ธาตุดินธาตุน้ำเป็นลูกธาตุลมธาตุไฟไม่มีลูกมาอาศัยกันอยู่จึงให้ชื่อว่าร่างกายมนุษย์คนเราไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤรือหัดแลนบันฝาคิตมีธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมประชมกันอยู่ จึงได้ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้เพราะมีดวงวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนาท่านจึงให้บริกรรมบทใดบทหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในหัวใจก่อนจนจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมัน่น ไม่หลงไหลไปกับอารมณ์ใดๆมีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจิตใจเย็นสบายมีความสุขความทุกข์ไม่มีในใจเดียวว่าใจสงบตั้งมั่นใจที่สงบตั้งมั่นนี่แหละ จะต้องฝึกก่อนสิ่งใดๆรวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในมานึกมาเจริญอยู่ในกายกตาสติก ร, รมฐานก็เป็นอบายภาวนาได้ทุกชิ้นทุกส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นต้น ในรูปขันอันนี้แหละถ้าจิตใจนั้นมาเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเจตจะไม่หลงไหลไปกับกรูปขันร่างกายนั้นใจจะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือธรรมดารูปร่างกายที่มนุนุ์เป็นห่วงอะไรกับร่างกายนี้นั้น จะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเป็นโยอย่างที่ใจหวังไม่ได้เพราะธรรมดาธรรมชาตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องเจริญขึ้นคำว่าเจริญขึ้นก็คือว่ามันแก่ขึ้นนั่นเองเมื่อแก่ขึ้นหมดขีดแล้วก็แก่ลงแก่ลงลากลง จึงแสดงวิกรมวิการต่างๆนานาในทางรูปร่างกายมากมายนับไม่ถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาเพียรพินิจิจารณาให้ดีเจตใจที่หลงลืมภาวนาพุทโธ ร, รวมใจไม่อยู่ก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาในร่างกายสังขารของตนบ้างแล้วก็หลงไหลร่างกายของบุคคลผู้อื่นด้วย เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจนี่หลงไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสกิเลสแล้วมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนี้เมตาก็จิตหลงไปตามลูกลูกกับตา ตากับลูกกระทบกันจิตผู้อยู่อาศัยนี้ไม่ได้พินิพิจารณาซึ่งรูปประคันไม่ได้พิจารณาเห็นกายกตาสติกรรมฐานของตัวเองก็เกิดความหลงหลงไปตามอาการภายนอกหลงไปหลายไปวุ่นวายไปผลที่สุด เอาจิตใจของตนไม่อยู่เอาจิตใจของตนไม่ได้ก็พาร่างกายสังขาร น, นี่แหละให้เป็นไปในทางที่เกิดทุกโรมานัดครับแค่แน่นใจภาวนาไม่ได้หาเวลาภาวนาไม่ได้คือว่าภาวนาเวลาไหนก็ไม่ยอมกิเลส ม, มันไม่ยอม จึงมีวิธีการนั่งภาวนาเป็นสูนรวมคือให้ทำพร้อมๆกันไปฟังทำไปอันนี้เป็นการฝึกหนึ่งนอกจากอย่างนี้แล้วตัวเองก็ฝึกตัวเองอีกให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีกายสงบทาสงบจิตสงบ ตั้งมั่นในจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่สุดเลยจึงจะกิจาจรณาลูกนามกายใจนี่ได้ดีจึงจะเกิดยาวิชาความรู้ในพุทธศาสนาขึ้นมาในของตนจิตใจก็จะได้สงบเย็นสบายเป็นภาวนาปฏิบัติทางพุทธศาสนาข้อวัดปฏิหลายอย่างหลายประก ลันกายวาติดเพียงสอกคุมกระทั่งนั้นแหละให้ชื่อว่าพระธรรมพระวินยัยพระวินัยข้อห้ามห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้พูดห้ามไม่ให้คิดภาวนาห้ามใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ใดๆทบกลมหายใจเข้าออก ท่านให้เตือนใจของตนด้วยอุบายธรรมต่างๆมีการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจเมื่อจิตใจนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในดวงใจอยู่จิตใจของเราก็จะมีความตั้งมั่นลงไปจนกระทั่งมองเห็นว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี่ ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีชราเป็นไปไม่ได้รูปรขันร่างกายของเราแม้ยังเด็กโยก็อยาเข้าใจว่ามันจะเป็นเด็กเลื่อยไปยังหนุ่มแข็งแรงโยก็ยาเข้าใจว่ามันจะหนุ่มแข็งแรงเรื่อยไปมันจะต้องถึงซึ่งความแก่ความชรา เมื่อแกชร า, าแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่แค่แกชร า, าทุกปีทุกเดือนทุกหลายสิบปีมันก็ยิ่งแก่ข้าค่าเรื่อยไปห้ามไม่ได้แก้ไม่ตกพระพุทธเจ้าท่านจะให้แก้ใจแก้จิตเอาจิตใจมาปฏบิบัติบูชานัน่งบริกรรมภาวนาพิจารณาหลักของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ให้จิตใจวันไหวไปตามโลกกระทาแปดประการดวงจิตดวงใจจะได้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของเราจริงๆนั่งก็อยู่ในใจยืนก็อยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็อยู่ในหัวใจนอนอยู่ยังไม่หลับ ก, ก็ภาวานาอยู่ในดวงใจนั้นฝึกฝนอบรมจิตใจดวงนั้น จนชำนิชำนานสงบได้ทุกวันคืนเดือนปีไม่ลหลงไหลไปตามรูปเสียงบินรดโภตภาพระธรรมาลมด้วยการมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นในองค์พุทโธ ท, ที่ตนนึกอยู่หรือในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารของตัวคนเหล่านั้น ความจริงมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดานั่นเองแต่ว่าจิตใจมาอาศัยอยู่จึงได้เป็นเรื่องเป็นราวยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปลาศัยทำดีทำชั่วได้ถ้าลำพังแต่ร่างกายสังขารทามนีแต่จิตก็ทำอะไรไม่ได้อีก ถ้ามีแต่โลกกายจิตใจไม่อยู่ในนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองคนเราจะทำบุญทำบาปได้ต้องมีดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในตัวนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นดวงจิตสำคัญ ผู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นั่นัหละผู้นั้นแหละให้รวมกําลังตั้งมั่นลงไปที่นั่นให้มีสติความระลึกอยู่ในที่นี้ที่ปัจจุบันนี้ไม่ให้หลงไหลไปตามสมมุติของโลกโลกเขาจะสมมุติเป็นอะไรอะไรก็ให้ให้เป็นแค่เขาสมมุติเท่านั้น จิตของเราญาได้หลงไหลไปกับความสมมุติของโลกนั้นหน้าที่ของเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์รักษาศีลห้าของตนให้บริสุทธิ์วเวนจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มจินสุรามรลายไม่ให้มีในกายวาจาจิตของเราผู้รักษาศีล ตั้งจิตเจตนางดเว้นได้ ว, ว่าไม่ทาไม่ประกอบไปในธรรมนองนั้นถ้าผู้ใดยังล่วงเกินในหลักศีลห้าชื่อว่าทาบาปทากรรมอยู่ตลอดเวลาบาปกรรมนั้นนั้นมันก็ต้องสนองคืนมาเลาชอบฆ่าสัตว์ สัตว์นั้นก็ได้เสว่วมันเป็นมีดวงใจคลองอยู่เหมือนกันเวลาสัตว์ใหญ่ๆคนเขาไปฆ่ามันจะลองสุดเสียงอย่างว่าสุกรหมูอย่างนี้เวลาเขาฆ่าเขาทำลายชีวิตมันเสียงลองสุดเสียงจนกระทั่งตายจึงจะหยุด ความทุกข์ความเดือดร้อนของเขามันขนาดไหนแต่พวกเราผู้บริโภคถ้ามีเนื้อหนังมังสังมาบริโภคก็ดีอกดีใจล่องลำทำเพลงเพิดอเ พ, เพินลืมภาวนาพุทโธไปได้กินดีได้อยู่ดีก็เลยลืมภาวนาพุทโธในใจเทนี้ต่างหากว่า มีคนด้วยกันจะมาเบียดเบียนเราอย่างว่าคืนนี้แหละจะมีพวกศัตรูเป็นศัตรูกับเราเขาจะมาฆ่าเราให้ตายด้วยวิธีใดก็าตามถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราเมื่อนั้นเมื่อนี้จริงๆนอนไม่หลับล่ะต้องวุ่นวายที่สุดเขาจะมาฆ่าจริงๆ เพียงเขาขู่เท่านั้นแหละเขายังไม่ฆ่าคนเราในโลกนี้บางคนนะ่ะเขาขู่ให้กลัวบ้านเรือนโยกใกล้กันเขาก็ขู่ว่าจะฆ่าจะแกงอะไรตอนเวลาเขาขู่เฉยๆกับกลัวแต่เวลาคนเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาร้องขอชีวิตก็ไม่ฟังหางเสียง ทำเอาจงเขาตายเขาตายเราก็กินเนื้อเขาเวลาเสือมันจะมากินเนื้อเราก็ไม่ยอมพ่อได้ยินว่าเสือเห็นรอยเสือเท่านั้นเราก็กลัวเพราะว่ากลัวเสือจะมากินเนื้อตัวเองแต่เรากินหมูกินเป็ดกินไก่กินได้แต่สัตว์เืินมากินแล้ไม่ยอม นี่แหละชีวิตของสัตว์ทั้งหลายใครก็ห่วงอะไรในชีวิตของตนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้นึกให้เจริญว่ามนุษย์และสัตว์สิงเดียร์ฉานทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป Ł ่วยเหมือนกัน แล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น น, น, นี่แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ให้ยึดให้ถือไว้ในใจว่าเราจะไม่ยึดและเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยการกระทาทางกายการกระทำทางกาย ด, ด้วยการพูดทางวาจา มคมขูผู้อื่นให้ทุกข์ให้เดือดร้อนจะไม่คิดลายให้แก่คนให้แก่สัตว์แม้คิดลายให้ก็ไม่ให้มีให้มีความเมตตาการุณแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อมีจิตใจเมื่อตาสงสารกันอยู่เห็นมนุษย์เห็นสัตว์ สัตว์มันก็รู้จักจากสายตาว่าคนนี้จะไม่เบียดเบียนเรามันก็เย็นอกเย็นใจถ้าหาว่าบุคคลใดเบียดเบียนสัตว์เมื่อสัตว์เห็นเข้ามันก็หนีเอาตัวรอดเพราะว่าคนเช่นนั้นเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนทุศีลเห็นสัตว์ก็อยากฆ่าสัตว์ นักเข้าก็ฆ่าสัตว์มากเข้าเลยฆ่าคนก็ได้ลงคอนี่คือว่าใจมันบาปหยาบช้าทารุณใจบาปอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นว่าจิตใจเราอย่างเป็นจิตใจบาปหยาบช้าทารุณอยู่จึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของเราให้เข้าสู่ศีล ให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ปัญญาจนเกิดมรรคผลถึงซึ่งนิพพานจึงจะเป็นสถานที่เรียกว่ายืกเย็นสบายไม่มีภัยอันตรายแก่มนุษย์ไม่มีภัยอันตรายแก่สัตว์สิ่งดีรชานเรียกว่าเป็นผู้ภาวนา ในทางพุทธศาสนาตามเข้าไปละกีเลสความโกรธในใจได้ตามเข้าไปละกีเลสความโลภในใจได้ตามเข้าไปละกีเลส ค, ความหลงด้วยการบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบตั้งมัตตด้วยการพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นแจ้ง ในธรรมปฏิบัติไม่ให้ใจมืดใจดำมาอยู่ในตัวในใจทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจงเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเลราว่าภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เท่านั้น จะเป็นทางดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกภัยในวัตสงสารได้ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติจิตกีเลสมันก็พาทำบาปจิตที่มีความโกรธถือความโกรธเป็นใหญ่ใครไปถือตามจิตโกทะจิตโกรธจิตโกรธนั่นแหละจะพาสร้างบาปทำบาปยาได้ตามมันไป รวมใจเข้ามาตั้งมั่นภายในใจของเราแล้วก็รวบรวมกําลังจิตกําลังใจให้สามารถอา่านปล่อยวางอารมณ์กิเลสในหัวใจให้มันออกไปไล่กิเลสลาะออกไปไล่กิเลสโลภในใจออกไปละกิเลสโทสะ ความโกรธขัดเคืองความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์ทรัพย์ทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นํำละแก้ไขจิตใจที่หลงหลงลืมลุ่มหลงภาวนาอยู่ในใจไม่ได้สงบกายสงบว่าจาสงบจิตลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวก่ออับกับอารมณ์ต่างๆ จ, จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายชื่อว่าพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเข้าอยู่ในใจนั้นธรรมโมคุณพระธรรมเข้าอยู่ในจิตในใจสังโฆ ค, คุณพระอริยสงสาวกเข้าอยู่ในจิตในใจเมื่อคุณพระพุทธเจ้ามีในตัวในกายวาจาจิตของบุคคลผู้ได บุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความเยือกเย็นสงบระงับนะการประพฤติการกระทำทางกายก็เป็นไปเพื่อความสุขสบายทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยการพูดกล่าวทางวาจาก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยความคิดทางจิตทางใจ ก็มีแต่คิดเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทางหลายเรียกว่ามีเมตตาสงสารพลอยยินดีในเมื่อเวลาเขายินดีเขาได้คุณงามความดีก็ทำใจ ย, ยินดีไปด้วยใจภาวนาย่อมเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงถ้าเหตุการณ์ใดๆมันสุดวิสัยเหลือวิสัย อย่างคนเราเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลามันจะแตกจะตายเมื่อมันแตกตายไปหรือมันเกิดเสียหายอันใดขึ้นมาทีนี้ก็ต้องใช้อุเบกขาคนที่มีอุเบกขาเมื่อสิ่งใดมันสมควรแล้วมันเป็นไปแล้วถึงเวลามันจะตายแล้วอย่างคนจะตายก็ได้ใครจะไปทับทานมันได้ เมื่อมันตายลงไปจริงๆจะเป็นญาติกาวงสาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาของเราก็ตามถึงเวลามันตายก็ตายจิตก็ยาได้วันไหววางเฉยได้พุทโธในใจอยู่ได้ไม่ต้องไปล่องให้น้ำตาไหลให้มันกลับมาอีก แม้มันกลับมาใหม่ก็ไม่รู้เพราะว่าใจเราไม่รู้ไม่เห็นในนั้นการภาวนาในทางพุทธศาสนานีจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญเยี่ยมยอดที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าวันไหนเวลาใดเมื่อมีโอกาสแล้วก็ให้รีบนั่งภาวนา โดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนานั่นพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนไว้ว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนผู้มุ่งหวังเพื่อจะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารนั่นจะต้องกราบพระไหว้พระ ร, รมวัดสวดมนต์และก็ น, นั่งสมาธิภาวนาทางกายวาจาสงบ ใจนิ่งแนวเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจิตใจดวงนั้นจึงจะถึงขั้นความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในดวงใจนั้นเราจะไปล่องขอเอาจากผู้อื่นนั้นไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติบูชาภาวนา เป็นการทำในใจเป็นการทำเองได้เองภาวนาเองได้เองไปขอจากคนอื่นไม่ได้ไม่เหมือนวัตถุเข้าของสตุ้งสตางสมบัติมนุษย์อันนั้นถ้าเราไม่มีขอคนอื่นเขามีศรัทธาให้ก็ให้ได้เพราะมันเป็นวัตถุภายนอก ส่วนวัตถุภายในกายวาจาจิตของเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเวลานี้เรายังไม่เห็นผลถึงยังไม่เห็นผลถ้าทำอยู่เสมอเสมอทุกวันคืนเดือนปีก็จะเห็นผลด้วยตนเอง เวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าวิกรมวิการร่างกายสังขารจะเห็นได้ว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนานั่นเกิดความทุกข์มากแกจะบนเพ่อลำเลไปตามภาษาของคนไม่รู้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปนั่นคือว่าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสความโกรธเชียก่อน ไม่ละกีแลกความโลภความหลงให้มันหมดสายเสียก่อนเวลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็เอาละเท่นี่วุ่นวายที่สุดวุ่นวายไปถึงไหนไปถึงไหนก็ไปถึงตายความวุ่นวายมันถึงตายแล้วก็จบละ่ะเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดนั่นแหละแล้ว่าสาวกโกสาวกพระพุทธเจา้าท่านภาวนาบริกรรมพุทธโธได้ตลอดกาล ท่านพิจารณาทำกรรมฐานในร่างกายสังขารของท่านตลอดป่อดโปรงไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนั่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจของผู้ภาวนาจริงๆ จ, จะมีแต่ความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ ทั้งกลางคืนกลางวันทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถฉะนั้นพุทธโธในดวงใจของเราทุกคนอย่าได้หลงหลืมน้อมนึกลำลึกอยู่ภายในจิตใจนี้อุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สะดับรับฟังแล้วก็ให้จดจานำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความฉกความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนีีสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพโลโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจจายิโนจตตาโรธรรมาวันติ อายุวนโนสุ ข, ขังภาลังก <c oughs> ารนั่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญฝึกหัดนิสัยใจคอของตัวเองให้มันกล้าหาญจะไปคอยอยู่มัได้ มรรคผลนิพพานบทญเจของคอยเป็นการทำให้เกิดใ้มีขึ้นในจิตใจของทุกๆองทุกคนจะไปคอยให้บารามีแก่โดยไม่ทำไม่ปฏิบัตินม่ได้ต้องปฏิบัติ ในเตือนครั้งหนึ่งว่าก่อนจะหลับจะนอนคืนคืนหนึ่งให้เดินจมกลมองละสองชั่วโมงคนละสองชั่วโมงก่อนได้เดินจมกลมหรือไม่ได้เดินก็ไม่รู้หรือเดินได้แต่สองสามวันพอสี่วันก็เลิกดีเอาอย่างนั้นมดได้ เ, เดินจกมกลมหยืดเส้นหยืดซ้าย การเดินนั่นเรว่าเป็นประโยชน์มากผู้ทำความเพียรแผดเผากิเลสนั่นถ้าขาดการเดินจมกลมมีแต่นั่งไปสักหน่อยก็เหงานอนแล้วก็นอนไปเช่ก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็ บ, บินบาดบทันโมและ ได้วิ่งไปบินบาดงั้นต้องให้เตื่นก่อนเตื่นก่อนตีสามตีสามนั่นบทสั่นละครมันดังเองมันต้องมีผู้ตีผู้ตีละครผู้ปูเสือสารอาธนะมันต้องเตือนก่อนสาม น, นั้นทุกทุกองต้องเตือตนก่อนละคร ะระรังดังแล้วไม่มาอีกตอนเช้าๆนั้นมักจะนอนลวดเลยไปที่ว่างอยู่เยอะแยะตอนเช้าต้องให้เดินจมกรมพ่องการเดินจมกรมนั้นเป็นอุบายสำคัญจึงได้เตือนให้ระลึกถึงพระ อรหันตาอง์หนึ่งในครั้งพุทธกาลนูนคนเดินจมกลมจนเท้าแตกแล้วก็คานคานจนเขาแตกก็ยังไม่ถอยความเกลียด น, น, นอนขวางทางจมกลมกลิ่งเอาันกิ่งปายพุทโธไปสุดทางก็กิ่งกลับมา เอาจนได้สำเร็จมรรคผลไม่เห็นท่านไม่เห็นท่านตายก่อนเวลาท่านทำความเพียรภาวนาพระเนนญาตโยมทําปองเรานี่มีแต่กลัวตายเน้อกันให้เดินจมกมสองชั่วโมงจึงค่อยขึ้นไหวพระสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาก็โอ้ยเดินสองชั่วโมงนี่กะตายแล้วนั่นแหละมันไปคาตายหลวงปู่มั่นเป็นบ่เห็นคาเป็นเอาจนได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตอนหัวค่ำมันก็เดินได้สองชั่วโมงสี่ทุ่มมันก็จำวัด ตื่นนอนมากลับลงเดินจงกลมสองชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์ทำไมยังนั่นเป็นกัดเดินจมกลมสองชั่วโมงบเห็นท่านตายก่อนอายุแปดสิบอายุหลวงปู่มั่นในแปดสิบเป็นเดินจมกลมแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บใครได้ป่วยพระเนนองค์ใดที่เจ็บเล็กเจ็บน้อยเป็นไข้นิดหน่อยก็นอนท่านไม่ยอมให้ลุกเดินจมกลมเมื่อเดินจมกลมเส้นเอ็นมันเยืดเส้นเยืดสายไข่เล็กๆเน้นน้อยมันก็หายไป แล้นให้ฝาการตั้งใจขึ้นมาสถานที่วิเวกนั้นจะหาสถานที่เกินที่ทำภาพล่องบริเวณเขาลูกนี้ในได้หาได้ยากเป็นเขาที่เป็นมงคลอาจารย์ใหญ่หญสมัย นี่ก็ดีสมัยก่อนก็ตามเพ้นมาภาวนากทนทารรมภาปรองทมเชียงดาวจึงเป็นธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นมงคลนอกจากพระอาหารหันตตาแต่ก่อนพ้นมาภาวนามานิพพาน เยอะแยะที่เขานี่แนวเขานี่ก็มีเทวดาอินทรม์มมีนาคมีคุดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างหลายประการเมื่อเรามาโสสถานที่วีเวกแล้วก็ให้เลบภาวนา ทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจำทุกวันทุกวันของตัวเองจะเป็นอนคอยท่าให้มรรคผลนิพพานไหลมาตกลงมาเหมือนเม็ดฝนไม่ได้เม็ดฝนนั่นเป็นธรรมชาติมันตกลงมาจากฟ้ามาค้างแผ่นดิน ให้คนได้กินได้ใช้ได้ทำไล่ทำนามรรคผลนิพพานมันไม่ใช่น้ำฟ้าน้ำผลมันเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติผู้ปาวันนาจะไปนั่งคอยท่าเอาไม่ได้ต้องทำไหว้พระ ให้ได้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันประมาทเมื่อใจประมาทมันเลินเล่อแล้วทนะไม่เอาฐานไม่ตั้งใจ การปฏิบัติบูบชาภาวนานั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าสมัยโบราณเก่าก่อนโน้นไม่ขีดไฟนี่ไม่มีเมื่อไม่ขีดไฟไม่มีเขาทำอย่างไรจึงจะได้ไฟมาใชา้มาหุงต้มเขาก็เอาไม้ไผ่มาควัดควัดเข้าไปเป็น ไม้ไผ่ตายแห้งทาเครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นไม้สีไฟก็เอาไม้ไผ่นั่นแหละทำเป็นคมปักไว้ในดินก็เอาส่วนหนึ่งนั่นมาเอามีดเอาก้าโคดเอาขี่ปอยไม้ไผ่ใส่เข้าไปตรงกลาง ามาเอาโถกันละมันเอาสีไฟถ้าเอาไม้นั่นทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟแต่เอามาโถกันโดยไม่นานนะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสามทิศนาทีก็ได้ไฟขึ้นมาใช้ไม้ไผที่ คนเราเอาถูไปถูมามันเป็นคมนานเข้ามันก็ล้อนร่อนมันก็ไฟมันก็เกิดขึ้นใน น, นั้นไฟมันก็ไห ม, ม้ไหม้ไผทั้งที่เอาถู ก, กันทะลุมาหาขี้ผอยมันก็ลุกเป็นไฟเอาโบรีจุดเข้าไปเราก็ต่อหาขีเหยื่อขีอะไรมาต่อดังไฟได้ นี่และเปรียบเหมือนไฟนี่แหละที่เราบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็ไม่ต้องรอท่ารอท่าก็เหมือนเอาไม้ไผ่ทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างนั้นถ้าเอาโถกันเข้าก็ได้ไฟใช้ได้แก่การกระทำการประกอบ ในหลักใหญ่ๆท่านจึงว่าทานศีลภาวนาเมื่อพุทธบริษัทเชื่อเรื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีทานมีศีลคือรักษาศีลห้าชีลแปดรักษาศีล10ก็บวชเป็นสามมันเนชรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็เป็นภิกษุ เป็นภิกษุเป็นตุเจ้าทีนี้มันจึงจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนไม้สีไฟสีถู ก, กันเข้ามันก็เกิดความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนมันก็เกิดไฟขึ้นมาไฟมันก็ติดเชื้อเพลิงเชื้อไฟที่เอาล่อมันไว้นั้น บุคคลผู้นั้นก็ได้ไฟมาใช้มาหุงต้มทำอยู่ทำกินของคนสมัยโบราณอันนี้คือว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำไม่ใช่นั่งภาวนาพอเป็นพิธีอย่างนี้บบไานต้องทำตั้งใจทำจริงๆ แล้วว่าตั้งใจนึกตั้งใจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทําสิ่งใดไม่ดีอย่าไปพูดสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดไปนึกตัดความสิกตัดความคิดที่ออกนอกเรื่องนอกราวออกไปให้นึกให้เจริญในคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมประสงค์ ยังมีว่าให้นึกมรณะกรรมฐานพุกลมหายใจเข้าออกจนเห็นความตายของตัวเองทุกเวลาว่าเราเกิดมาแล้วได้รักษาศีลภาวนาศีลธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็อยที่ใจนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตน ไม่ให้จิตใจฟุ่งซ่านลำคาญไปภายนอกให้ใจมองเห็นความตายของตัวเองแล้วก็มองเห็นความตายของญาติกาวงศาของตัวเองยันได้มองเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดียังไม่ตายก็ตามมันจําเป็นจะต้องตายไปทุกโูกทุกนาม อันมรณะกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนไว้เนะ่มันแน่นอนคนเราคิดเอาเองนี่ไม่แน่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอาจตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนะมันเป็นความจริงบางคนไม่มีโรคอะไรเลยเมื่อยังไม่หลับไม่นอน พอดีๆโยหลับไปหน่อยแล้วกเกิดเอเอเอออาอาขึ้นมาเอาแล้วมันตายไปมันรวดเร็วที่สดความตายด่งนั้นพระองค์จึงสอนลัดเข้าไปเลยทีเดียวว่าให้สาวกของเราตถาคต ภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกนะแล้วพระองค์ก็ตัดเจว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองมรณะกรรมฐานนี่พระองค์ไม่ได้ทิ้งได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งทะเลออยู่เหมือนพระพุทธโลกไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธโลก พระพุทธเจ้าพันม่ได้นั่งเหมือนพระพุทธโูกยืนเดินนั่งนอนเทศนาว่าการตักเตือนพระภิกษุสามนเณรภิกษุภิกษุณีอบาศกอบาชิกาให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใด่นั่งเหมือนพระพุทธิพระพุทธลูกพระพุทธเจ้า อันนี้ผู้บวชผู้ไม่บวชก็ตามให้ภาวนาโดยตนเองการปฏิบัติภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นจะยิบยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกเหมือนชตางเป็นของมีค่าจะต้องจับจ่ายใส่สอย แบบคนทุกคนยากก็ไปขอขอสตางค์คนมีเขาก็ให้บ้างแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานี่จะไปขอเอาอย่างนั้นไม่ได้ขอก็ได้แต่ขอเท่านั้นแหละแล้วพวกที่มักง่ายก็มีอยู่ทุกวันนี่ก็ยังมี บางคนก็มาหาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ขอเอาขอว่าหลวงปู่หลวงตาได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ขอให้กระผมให้ข้าเจ้าได้สาเร็จมรรคผลอย่างหลวงปู่หลวงตาเถิดมันขอเอาอย่างนั้นไปขอได้อย่างไรขอก็ได้แต่คำขอนั่นลนะ่ะ เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้เราต้องตั้งใจทำลงไปคำว่าทำ